u m ถ้ามองคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ท่านกล่าวไว้ในคมภีร์วิสิธิมาร์กเนี่ยท่านบอกว่าพระธรรมพระสัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นสันติติโก๋ใช่ไหมสันติติโกในที่นั้นก็คือผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองเนี่ยก็เพราะผู้มีปัญญาศึกษาพระป ร, ะริยัติธรรมก็เห็นได้โดยตนเองว่า เป็นความวิเศษสุดแห่งพระศาสนมวิเศษในที่นั้นเป็นความงดงามในเบื้องต้นใช่มท่ามกลางและที่สุดและถ้าหากบุคคลใดได้บรรลุโลกุตละธรรมเก้าแล้วไม่ต้องถึงความเชื่อในผู้อื่นก็ไม่ต้องให้ผู้อื่นพยากรณ์และย่อมเห็นด้วยปัจจเวคขณะยานของตอนเองชัดเจนเลยอันนั้นก็สันทิติโกส่วนถ้าหากว่าเป็นสันติติโกเป็นความเห็นที่พระริยเจ้าสรรเสริญ ภาพประยะิยัติธรรมก็ย่ำยีพวกเดรถีคำสอนของพระบรมศาสดาเนี่ยถ้าใครมาบอกว่าเป็นอย่างนี้แต่จริงๆสภาวธรรมกล่าวคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถจะปรับปร ะ, ประวาสได้ด้วยดีทำให้ชนะกิเลสโดยข่มไว้ด้วยเหตุที่ศึกษาและปฏิบตัติต่อเนื่องสืไปแล้วก็ส่วนอารยมากเนี่ย คือสัมมาทิฏฐิเป็นต้นนะ่ะชื่อว่าสันทิติโกเพราะชนะกิเลสด้วยสันทิฏฐิสันทิฏฐิในที่นั้นที่สัมยุญกับมมรรคเนะี่ยเห็นไหมเนี่ยนั่นแหละคือองค์มรรคที่สัมยุญในองค์มรรคแปดที่สัมยุญที่ประกอบในมรรคจิตอันนั้นเป็นสันทิติโกอันนั้นเพราะชนะกิเลสเป็นเหตุในการที่สามารถที่จะลักกิเลสเป็นสมุเทเฉธาหาน เพราะอะไรเพราะชนะกิเลสด้วยสันทิฏฐิก็คือเป็นเหตุแห่งตนด้วยปฏิสัมเป็นเหตุแห่งปฏิสัทธิปะหารก็คือสามารถมีพระนิพพานเป็นอารมณ์และอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นนิสรณนาปะหารด้วยเป็นนิสรณนาปะหารเพราะตัวมรรคเนะี่ยมรรคจิตนั้น อีกความหมายหนึ่งตรงนั้นก็คือเป็นไปเพื่อลักิเลสและเพิ่มพูนธรรมะที่สะอาดโธทานะฉะนั้นในด้านของทานเนะี่ยทานจริงๆเนะี่ยท่านขับเน้นเจตนาทานขับเน้นตัวมหากุศลจิตตุบบาททีนี้จิตมหากุศลจิตตุบาทที่เป็นทานนะี่ยนะที่เป็นทานนกะุศลเนี่ยนะเราก็ไปแยกเป็นปุพพเจตนาทานมุลจ่าเจตนาทานอัปปราพระหรืออัปปราเจตนาทาน ขับเน้นในเรื่องของเมื่อสักครู่พูดถึงในด้านของในสูตรที่ใช้คําว่าศรัทธาทานอย่างหนึ่งสักกัจจทานนั้นอย่างหนึ่งแล้วก็การะทานนั้นอย่างหนึ่งใช่ไหมอันแรกขับเน้นศรัทธาทานนั้นตัวนั้นมีสัตทัยศรัทธาเป็นสัตธายปทัฏ ฐ, ฐานังก็เลยมีศรัทธาเป็นเหตุใกล้ อันนั้นแหะคือท่านขับเน้นที่ศรัทธาทานไปหยิบยกมาในสัพปริสทานมาในพระสูตรนั่นแหละเอาตั ว, ต, วตัวมุมนั้นมุมเดียวเป็นตัวตั้งเป็นปัจัยฐานของทานท่านก็มาตั้งตามสัพปริสถานทานของสัตบุรุษก็คือศรัทธาทานในที่นั้นหมายความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้บริจาคทานด้วยความเชื่อด้วยความเลื่อมใสในกรรมและผลของกรรมเชื่อกรรมผลของกรรม ที่จริงสืบค้นมาจากเชื่อมั่นในคุณของพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์แล้วก็เชื่อกรรมเชื่อกรรมแล้วก็เชื่อผลของกรรมเนี่ยอันนั้นเป็นสภาพของศรัทธาใช่ไหมเป็นสภาพของศรัทธาเจตสิกสภาพของศรัทธาที่มีความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระรัตนตรัยใช่ไหมแล้วก็เป็นสภาพที่มีความใสถ้าศรัทธานั้นตั้งมั่นเกิดขึ้นมาแล้วก็มุ่งมั่น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 ที่แดนเ ย, ย ม, มกงแล้วต่อมาก็เฝ้าคอยไม่กลับไม่กลับและถ้าพระบรมศาสดาไม่มางั้นจนพระโมคคัลลานะต้องขึ้นไปยมวันย่อออกภรษาถามว่าพระบรมศาสดาจะเสด็จหน้าที่ไหนบอกจะเสด็จที่สังกที่ถามก่อนว่าพี่ชายเธอจําำรรษาที่ไหนเพราะในภาษานั้นภาษาริบุตรอุปถาเขี้ยมนะบอกว่า ท่านภาษาลีบุตรจำภาษาที่สังกัดสานครแต่ฐาคตก็จะเสด็จลงณประตูสังกัดสานครนั่นแหละผ่านนนก็มาบอกประข่าวว่าพระศาสดาจะลงที่ประตูสังกัดสานครแล้วประชาชนก็พากันเดินจากสาวถีที่ชุมนุมไม่กลับบ้านกันปักบ้านหยุดแถวนั่นแหละคนที่ดูแลในครั้งนั้นก็คือมีจุฬาอนาถะเป็นต้นเป็นผู้ดูแล จุละอนาถาพินทิกะเสตถีอะไม่รู้เป็นลูกหรือเปล่าแต่เป็นผ้านาคาเป็นผ้านาคาแล้วสามารถแสดงยมา ก, กับปาฏิหาริย์ได้ด้วยแต่หรือแสดงปฏิหาริย์ขอภยัยไม่ใช่แสดงเยมากปาฏิหาริย์เธอเนี่ยท่านเนี่ยจะแสดงปฏิหาริย์แทนพระพุทธเจ้าวันนั้นเนี่ยขอแสดงทุกคนอาสาหมด เราไปหน้าท <uh ี่ตรงนั้นเราจะไปอาสาแสดงอะไรดีสรอาสาอะไรดีเดี๋ยวเดี๋ยวไปถึงตรงนั้นจะถามดักเทรดาบอกว่าจะอาสาแสดงคุณธรรมอะไรถวายเป็นพุทธบูชาคืออุบาสิกาก็ก็ไปขอแสดงแทนพระเจ้าอุบาสกจุละอนาถปิณิกาอุบาสกก็จะไปสัตยขอแสดงใช่ไหมสมมณเนรก็ขอไป ธมเนรีเป็นต้นเอะไเนี้ภิกษุเป็นต้นแม้พระโมกขลานะก็จกะแสดงแล้วก็บอกด้วยนะตัวเองเนี่ยที่จริงเนี่ยท่านเหล่านั้นที่มีที่มีวิชาสามปฏิสัมพิทาญาณสี่ใช่ไหมแล้วก็มีอภินญาหกเนี่ยที่ท่านเหล่านั้นที่มีทั้งหลายนั้นน่ะอริยทรัพย์ทั้งหลายที่อยู่ประชุมอยู่ในกระแสขันของท่านเหล่านั้นเนี่ยอริยทรัพย์เหล่านั้นก็คือ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 ทั้งสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสทั้งหลายอันนี้เป็นมรดกของพระาศาสดาเนี่ยรอบๆเราเนี่ยมรดกของพระาศาสดานี่เขาถวายพระาศาสดาอย่างนี้นะก็มองให้ชัดเราจะได้เห็นแม้ตัวเราเองเนี่ยเราก็ถวายกายและชีวิตแด่พระาศาสดาฉะนั้นก็คือว่าพระาทานเหล่าเนี้ใช่ไหมเป็นผลนทานพระทานบา ร, รมีของพระเจ้า ก็แปลว่าพระเป็นเรามองไปก็คือเห็นสมบัติของพระบรมศาสดาเต็มไปหมดแต่อันนี้เป็นอามิสมรดกเป็นมรดกที่ไม่สะอาดพระศาสดาบอกอย่าไปติดข้องแต่ถาคตทายแล้วแต่มรดกเหล่านี้อาตถาคตมีไว้สําหรับพวกเธอจะได้มีชีวิตเป็นอยู่ได้และจะได้เจริญเข้าสู่ธรรมะมรดกทีนี้ในธรรมะมรดกก็ระดับศีลระดับสมาธิระดับปัญญา ศีลสมาธิปัญญาก็มาแยกเป็นโลกิยาธรรมและโลกุตละธรรมโลกิยาธรรมก็คือเกี่ยวกันในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาที่เป็นโลกิยะทั้งหลายที่เป็นไปในวัตะส่วนศีลสมาธิปัญญาที่ประชุมในอริยมรรคทั้งหลายนั้นเป็นโลกุตรรละมรดกแล้วก็ในผลสมาบัติเหล่านั้นแหละนั้นเป็นโลกุตรรละมรดกใช่ไหมตอนนี้เราก็พยายามจะขับเน้น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 ที่ดิฉันได้รับอะมีแค่นี้น่าชื่นใจไหมมีแค่นี้อายุเท่าไหร่แล้วเกิดมาเนี่ยตั้งแต่นับถือพุทธทางสันนิษานกฐามีอะทำไมได้แค่นี้อะก็มรดกของพ่อเต็มไปหมดเนี่ยทาไมทำไมไม่มาเอาความสามารถแค่นี้ พระศาสดาก็บอกเธออย่ามักน้อยในมรดกของพ่อแต่จงมักน้อยในอามิตรมรดกเนี่ยแต่อย่ามักน้อยในธรรมะมรดกของพ่อแล้วก็ฟังไม่เข้าใจแล้วก็มักมากในมรดกของพ่อที่เป็นอามิตรกันอยู่นี่แหละใช่ไหมเพราะเราไม่รู้มันเป็นวัตถุฐานเราไปเข้าใจเป็นวัตถุกรรมซะนี่ก็เลยเอากันใหญ่เลยแย่งชิงมรดกพ่อเข้าใจอย่างตัวเนี้ย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 จกเอามรดกของพ่อแสดงแทนคือจะเป็นคนหยิบมรดกเลยที่ที่ตนเองเลยรับมาเนี่ยเอามาโชว์ให้ดูนี่แหละมรดกว่างั้นเถอะให้กระเหล่าพุท ธ, ธบริษัทและบุคคลอื่นที่ไม่นับถือทั้งหลายได้เห็นนี่ไงนี่ขนาดลูกยังมีมรดกมากมายขนาดนี้ไม่ต้องให้พ่อเอาสมบัติมามามามามาม า, มาโชว์หรอก เราเราดูก็ตื่นตาตื่นใจดูไม่ไหวพราไปเห็นสมบัติของพ่อออกมาจริงๆเจ้ามาแค่สมบัติของลูกแค่นี้ก็ตื่นตาตื่นใจขนาดเนี้ยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าคําว่าแสดงยม ก, กับปฏิหารพระศาสดาทุกองไม่ทรงรักคือต้องแสดงไม่ได้เป็นหน้าที่ของพ่อแสดงแล้อย่างเนี้นะพระบรมศาสดา ก, ก็แสดงเองเลยพอแสดงเสร็จนั่นแหละก็แปลวันนั้นนะพระศาสดาแสดงอิทธิปฏิหารยะ อาเทศนาปฏิหารและอนุสาสนีปฏิหารไปพร้อมกันเลยสัตว์จึงได้บรรลุสองร้อยล้านไงเพราะแสดงปฏิหารสามนั้นเป็นการแสดงธรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจมากเราหมดโอกาสแล้วใช่มตั้งหลักใหม่ไม่รู้ไปเพอไผที่ไหนใช่ไหมนั้นคนก็อยากจะดูอีกครั้งหนึ่งไง ก็รอไหมแต่เนี้ยกลับบ้านไหมไม่กลับไม่กลับแล้วก็พอบอกว่าจะลงที่สังกษานครห่างจากนี้ไป400กิโลก็พากันเดินเอาสเสบียงคล้องบาเดินกันแล้วเหมือนเราบอกเออจะไปเฝ้าพ่อในสถานที่ประสูตรตัดสรุแสดงธรรมจักรและประนิพานเราก็เดินไปเหมือนกันเดินน้อยแต่นั่งรถนั่งเครื่อง ขนาดนี้ยังบอกโอ้โหอย่จะลำบากไม่เนี่อะไรสรารพัดนี่เนี่ยกลักวกลัวและใช่ไหมไม่เห็นคุณเนาะเอาใหม่ตั้งหลักวิธีคิดให้เป็นแล้วก็ได้นี้ไปนนก็ได้ น, นี้ก็จะคิดได้ตรงนี้ก็ลักษณะนี้ก็เรียกว่ามีศรัทธาเห็นไนี่ความเชื่อมัน่นความรัก แต่วันที่พระบรมศาสดาลงจากดาวดึงเนี่ยนะแล้วก็แสดงอีกครั้งหนึ่งนั้นก็คือมีสัตว์ได้บรรลุสามร้อยล้านทางนั้นนนั่นแหละคือผลของการมีศรัทธาทางเป็นถามว่าเจตนาที่เป็นทานเนี่ยที่น้อมสละเนี่ยน้อมสละเนี่ยเจตนาที่เป็นทานนี้อันนี้เขาเรียกว่าศรัทธาตรงนั้นนั่นแหละเป็นประทัดฐานของ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 ใช่ไหมที่จักไม่ให้ทานแล้วก่อนบริโพุทธะเป็นไม่มีคำคำนี้กระทบถึงศีลด้มยไหกระทบถึงศีลด้วยเนคขมะด้วยปัญญาด้วยวิรยิยะขันติสัจจะอธิฐานะเมตตาและอุเบกขาด้วยนะเวลาเราฟังพระธรรมเนี่ยอย่าไปจมอยู่แค่ทานนะเพราะเราไม่รู้ไงอานิสงส์ของศีลไม่รู้อนิสง์ของเนคขมะไม่รู้อานิสงส์ของปัญญาไม่รู้อานิสงส์ของ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 การการะทำเป็นต้นเหล่าเนี้ยตรงนี้ทั้งบอกว่าพลังพร้อมไปด้วยกรมคุณนะผลนั้นเนี่ยอันนั้นเราเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าการให้เนี่ยด้วยศรัท ธ, ธาเป็นต้นเนี่ยถ้าในชั้นของคําสอนถ้าเราดูในในคําสอนเนี่ยที่ท่านใช้คําว่าอย่างนี้นะถึงว่าให้แก่สัตย์เดรัฉานใช่ไหมศรัท ธ, ธาเชื่อกรรมและผลของกรรมเป็นต้นเนี่ย ยังพละเนียนเวลาท่านกินฉันอาหารเบ็ดเสร็จหยืนจะเหลือในบาตร ท, ทาไมเหลือท่านคิดถึงสัตว์เดรัจฉา น, นใช่ไหยถึงแม้เหลือมันก็ยังสามารถให้กับสัตว์เดรัจฉานได้ในพระวินัยก็บอกว่าเอออย่าไปใช่ไหมเออจะไปเทหน้าที่ไหนอย่างไรท่านก่อนเอาไปเลี้ยงสัตว์เดรัจฉานอีกทีหนึ่งเพราะท่านเข้าใจไงเข้าใจว่าให้กับสัตว์เดรัจฉานได้เกี่อตราภาพร้อยร้อยคูณเท่าไหร่ เนี่ยตรงนี้เห็นไหมว่าร้อยเท่าสัตะคูนาเนี่ะสัตาก็่ร้อยเนาะมีอันิี่สองร้อยเท่าพึงหวังก็คือว่าพึงปรารถนาบอกว่าทักษิณานี้ย่อมให้อานิสงห้าร้อยเท่าจากร้อยอัตภาพเนี่ยจะได้ห้าร้อยเท่าอายุร้อยเท่าวันณะก็ร้อยเท่าความสุกก็ร้อยเท่าพละก็ร้อยเท่าปฏิพานคือปัญญาก็ร้อยเท่า คือทัศนาให้อายุในร้อยอัตภาพคือชาติเดียวอัตภาพในเรืองก็คือร้อยชาติชื่อว่าอายุร้อยเท่าให้วนะันณะร้อยอัตภาพชื่อว่าวานะันณะร้อยเท่าให้สุขร้อยอัตภาพก็ชื่อว่าสุขร้อยเท่าให้พระร้อยอัตภาพก็ชื่อว่าพระนี้ร้อยเท่าให้ปฏิภาณนะร้อยคือทําให้ไม่สะดุ้งในร้อยอัตภาพชื่อว่าปฏิภาณร้อยเท่าร้อยอัตภาพ ก็คือร้อยพบอันนี้คือเข้าใจ น, นิสงี้ถ้าปุถุชนมีทุศีน์เท่าไรนะพันใช่พันก็คูณห้าไปถ้าหากว่ามีศีน์แสนแสนก็คูณห้ากเหมือนกันถ้าหากว่าบุคคลที่ได้สมาบัตรนอกศาสนา แสนโกรธก็คูณให้โอ้โหเยอะแล้วเกินเลยเอาบุคคลนี้ตั้งในสารณคมเป็นต้นไปแต่เนี้ยเริ่มตั้งแต่ตั้งสารณคมก็คือว่าแม้อุบาศกผู้ถึงสารณะสามโดยที่สุดเบื้องต่ำชื่อว่าปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลอันนี้หาประมาณนี้ได้อันนี้ก็ว่าไปตามลำดับนะ ทานที่ให้แกวาสศกผู้ปฏิบัติทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลก็นับได้ว่าประมาณไม่ได้ส่วนทานที่ให้แก่บุคคลผู้ตั้งอยู่ในศีลห้ามีผลมากกว่านั้นทานที่ให้แกบุคคลผู้ตั้งอยู่ในศีลสิบมีผลมากกว่านั้นอีกทานที่ถวายแกสมณีนที่บวชในวันนั้นมีผลมากกว่านั้นทานที่ถวายแกภิกษุที่อุปสมบทแล้วมีทานมีผลมากกว่านั้นทานที่ถวายแกภิกษุผู้อุปสมบทแล้ว พูดถึงพร้อมได้วัดก็มีผลมากกว่านั้นทานที่ให้แก่บุคคลที่ปารลวิปัสสนามีผลมากกว่านั้นแต่สําหรับส่วนผลชั้นสูงผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งโสดาปฏิผลชื่อว่าปฏิบัติเป็นคนแรกในจํานวนผู้มีมรรคสมังคีนั่นก็ว่าไปตามดังก็ตรงนี้ก็คือว่าท่านไล่ไปตามหลอกจนถึงสงมากกว่านั้นที่จริงเป้าหมายตรงนี้ก็คือท่านต้องการอยากจะให้เราเนี่ยเข้าใจในเรื่องของคําว่าให้รู้จักเหตุและผล ให้รู้จักเฉียดทีนี้การที่จะทําเหตุให้ได้อย่างนั้นก็คือว่าดังที่ได้กล่าวการที่เราจะระดมเจตนาที่เป็นกุศลเป็นต้นเนี่ยที่เป็นศรัทธาทานแล้วก็สักการะทานสักการะทานนี่ก็หมายความว่าพวกราอยากทานโดยการเคารพเคารพตนและเคารพทายาธรรมอเนี่ยเคารพตนและทายาธรรมให้สะอาดหมดจดเจ้าเคารพเนี่ยเคารพทานและผลของทานเป็นต้นส่วนการละทานที่โยมถาม บอกว่าบริจาคทานให้เหมาะสมกิดการเนี่ยเช่นการนี้เป็นการที่ควรจะจัดแจงได้แล้วใช่ไหมเช่นเราเดินเดินไปเราก็เห็นว่าโอ้ที่อยู่ของสงชํารุดสซุ่มมากเ อ, อเราเห็นการว่าฝนเออเลยเออแล้วกรณีอย่างนี้เป็นการละนะมันเหมาะเกิดการแล้วหรือว่าที่เขาชอบโฆษณากันเรื่องกระถิน <laughs> เป็นการละทานนันเอง ที่จริงเออเนี่ยก็คือกรณีอย่างนี้เพราะผลนั่นจะเป็นยังไงผลนั้นจะให้ได้รับความเจริญรุ่งเรืองในอายุวัระสุขภาวะเนี่ยปฏิพานเนี่ยตั้งแต่ปฐมวัยมาฉิมวัยและปัดฉิมวัยคือผลมันจะเป็นอย่างนี้ให้สังเกตตัวนี้นว่าเรามักจะให้สังเกตวคนบางคนเนี่ยปรารถนา บางทีเนี่ปรารถนาอะไรไม่ค่อยประสบผลทีต้องรอนานหน่อยเนี่ยเนะ่เพราะขาดขาดทานประเภทเนี้ยแต่บางคนดำหลี่อะไรไม่ได้นะมาทุกทีเลยเนะี่ยอันนี้เป็นเป็นเรื่องจริงนะบางคนแค่ดำหลีเนี่ยมาแล้วเคยได้ยินข่าวคำว่าโครงการพระราชดำหลี่ไหมแป๊บประเสริฐแป๊บประเสริฐ <laughs> เนี่ยบุญก็ดีบุญท่านดีแบบเนี้ยใช่ไหมของเรานี่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ลองดำหลี่จริง ด, ดำหลี่แทบแย่อุปสรรคเต็มไปหมดเลยเนี่ยเนเข้าจใจยังเนี่ย ถ้าภาาสดาเนะ่ไม่ต้องพูดถึงนะอนุขะฮิตาทานก็คือบริจาคทานโดยความสละ<ม>ก็คือไม่ยึดติดเมื่อกี้มีใครที่บอกว่าให้แล้วใจมันเสียอันนี้มันขาดข้อเนี้ย<ม>คือให้ไปแล้วใจมันเสียพ<ม>อไปเห็นครบนี่เองหูปล่อยหมาปล่อยแมวขึ้นไปโอ้หมดแล้วหมดแล้วที่กูสร้างไว้ <laughs> ไม่มันมันยึดติดมันยังหวงไม่สละความตันหนีไอ้ความยึดติดอยู่ไม่สละตัณหาไม่สละมานาทิฐีออกมาไอ้ตรงนี้ก็คือว่าผลเป็นยังไงพังพร้อมด้วยกามาคุณไหยพังพร้อมแต่แต่จะกลายเป็นคนเฝ้าทรัพย์พอได้ผลออกมาแล้วก็ออกจากทรัพย์ไม่ได้กลายเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ ไม่คำไม่คำว่าเฝ้าในที่นี้เป็นมนุษย์ก็เฝ้าแล้วเนี่ยอ๋อห่วงหวงจนนั่นไม่ค่อยกล้าใช้เอามาดูจนเสียแล้วถึงค่อยๆเอาออกมาใช้อ่ะเคยเป็นไหมตอเนี้เคยเป็นไหมล่ะพับไว้ซะจนแทบถ้อเอ๊ะแล้วพวกเอาเก็บเพชรไว้นานๆแหละไม่ใช่เนะอเอองั้นก็ไม่ใช่ก็แล้วกัน ที่จริงมันเป็นวัตถุกรามหรือวัตถุทานไปกระทองบอกใช่ไหมไปบอกปาลบไงถึงจะไม่เป็นวัตถุทานดีจักเอาถวายพระพุทธเจ้าโ <c oughs> น่นแหวนไว้บนยอดเจดีย์สูงๆให้คนมองทั่วแผ่นดินสักทีแล้วข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตแต่ถวายเรี่อ อาช่วคิดหน่อยที่เอาจะทำยังไงดีคือหมอคือจริงๆในหลักในหลักถ้าเขาถวายเนี่ยเขาต้องต้องถวายจริงใช่ไหมทั้งกายกรรมใช่ไหมทั้งวจีกรรมก็ต้องพูดเพลงออกมาใช่ไหมอันนี้ประเด็นก็คือว่าประเด็นก็คือว่าสมบัติที่เป็นของของเราเนี่ยที่เรายึดติดกันเนี่ยพราะเหตุที่เรายังยังเกี่ยวข้อง เกี่ยวข้องกันในกรณีวัตถุกรรมให้สังเกตดูนะว่าถ้าเป็นพระโสดาบันท่านจะละไอตัวมัชชริยะได้ใช่ไหมเออมัชชริยะนี่ไปเกิดอยู่ในโทสะเนี่ยใช่ทั้งๆที่ตัณหายังไม่หมดนะแต่มัชชริยะในโทสะถูกละด้วยสมุทเชท้าไหมโสดาปริมาคกเนี่ยเป็นไม่เป็นเป็นหรือยาง ตามว่าพระโสดาบันเนี่ยห่วงไห ม, ไมหอิสาและมัชริยาเนี่ยเป็นเหตุแห่งการทะเลาะทะเลาะวิวาสฉะนั้นตัวมัชริยาเนี่ยในโทสานั้นประหารโดยโสดาปฏิมาร์ลองไปดูสิใช่ไหมประหารไหม เารู้สึกจะอยู่ในมาติกาหรืออยู่ในอะไรไม่แน่ใจเนะี่ยต้องไปดูตรวจสอบในมาติการอีกทีอามาก็ไม่ได้ไปตรวจสอบมานานแต่จําจไม่ผิดนะฮะเออไปดูในหมวดของทัศนีหน้าปหาตับพัติกาเนะี่ยไปดูในหมวดนั้นนะ่ะทำที่โสดาปริมักพึงละพึงประหารน่าจะมีอิสามัชยริยะอยู่ในนั้นด้วยน่าจะมีตัวมัชยริยะถูกละเพราะอามาไปเทียบเคียงในไหนในสักกาปัญหาสูตร ที่พระที่พระที่เท้าสก่เท้าเธอไปถามพระศาสดาว่าอะไรหนอเนี่ยเป็นปัจจัยแก่กัการทำให้ขัดแย้งทะเลาะกันเนี่ยทั้งๆ ท, ที่ปรารถนาดีพระศาสดาก็ตั้งทงทีแรกเลยว่าอิสาและมาจารยะแล้วเท้าเธอฟังนี่ปัญหาสิบสี่ข้อนี่แหละแล้วได้บรรลุปเป็นพระโสดาบันก็อันนี้ก็ต้องไปดูอีกทีแต่ไม่แน่ใจนะตรงนี้อาจจะไม่ ถ้าใครมีมาติกาไปดูได้ น, ะ, นะดูได้นะดูในมาติกาในหมวดทัศนันนะปัหาตัพัรทำลองไปตรวจสอบถงไม่แน่ใจหรือะตรงนี้ก็คือว่าเจตนาทานได้แก่เจตนาที่สัมพยุตกับมหากุศลซึึงเป็นเหตุแห่งการให้ทาน ส่วนวัตถุทานก็จะแก่ปัจจัยสี่ที่เป็นไตรยธรรมใช่ไหมอโลภาทานได้แก่อโลพะเจตสิก ท, ที่ประกอบกั บ, กบเจตนาที่เป็นไปเกี่งการให้ทานเหมือนกันที่เป็นไปกับกุศลจิตุบบาทอันนี้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของกุศลหมดเลยนะเนี่ยนะพูดถึงกุศลหมดเลย สว่วนเวรติทานแก็คือเวรติสามที่สา ม, มารถงดเว้นจากอากุศลทุจริตอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายไม่ต้องหวั่นใจในการที่จะมีภัยบังเกิดขึ้นอันนี้เป็นอภัยาทานทั้งที่เป็ น, นภายในและภายนอกด้วยเห็น ไ, ไหมเล็กถึงตนเองและภายนอกด้วยถ้าในชั้นของคำสอนท่าก็เลยมาคําว่าเจตสิกที่ประกอบ ก, บกับหากุศลชั่วทาน วัตถุสิ่งของก็ชื่อว่าทานอโลพะเจสิกที่ประกอบกับเจตนาเป็นเหตุแห่งการให้ก็ชื่อว่าทานและถ้าในกถาวัตถุการกล่าวคำให้อภัยกันการให้อภัยก็ชื่อว่าวิรติทานตรงนี้ส่วนภรริยาสาวกเว้นขาจากพปฏิบัติเป็นต้นให้อภยัยแกสัตว์ทั้งหลายหาประมาณนี้ได้ อันนี้ก็มาในคำสอนที่ได้ยกได้ยกมานะที่กล่าวไว้ที่บอกว่าหาหาประมาณไม่ได้นะที่มาจะาคำว่างดเว้นจากการฆ่าเป็นต้นคือในทัศน์ะปหาตภาติการเนี่ยมาไม่ได้ดูนานแต่ดูแบบประมวลว่าเคยสอนมาเนี่ยน่าจะประมาณสิบห้าปีแล้ว มันจะพอค้างๆใจอยู่แต่ว่าพอดูในส ก, กัดปัญหาสูตรมันเลยชัดตรงนั้นใช่พราอตรงนั้นไปดูในนั้นอะไจะมีชัดเจนเพราะสังเกตยังไงสังเกตในชั้นของคําสอนเนี่ยว่าคนที่เป็นปรนโซดาบันเนี่ยพระห้ามขออะไรท่านเพราะขอไม่ได้เลยรู้ว่าพระต้องการเนี่ย ตัดเนื้อ น, น้องถวายพระยังเคยมีไวแล้วจะมีสิกขาบทนีงมีสิกขาบทห้มามเลไม่ได้ใจขนาดนั้นเลยนะพระสัสดนนิ์บัณฑ์นะแค่แค่พระทําทีทําท่าจะนั้นๆหน่อยเนี่ยทันทีเลยมีไม่ได้เลยนั้นใครใครใครมีปกติที่ให้อะไรมากๆเนี่ยพระจะค่อนข้างเยอะค่อนข้างเดินเดินหนีแล้วคนเองก็เริ่มหาไวจากทานได้ยากขึ้นนะเพรารู้ว่าโอ้โหมีเท่าไหร่ก็ให้มีเท่าไหร่ก็ให้ห ใ, หใช่ไหม ประเภทเนี้ส่วนคําว่าอันอกรณีนี้บอกว่าคือการเป็นอยู่ก็ผาสุขสบายไม่เพียงแต่เป็นคนเฝ้าทรัพย์เนียก็หมายความว่าบางคนเนี่ยมีทรัพย์แต่เป็นได้แค่คนเฝ้าทรัพย์ก็เห็นไหมละ่ะที่นั่งนี้มีไหมมีไหมมีใครไม้มมาแค่ไปนั่งเฝ้าทรัพย์วันๆเนี่ยเฝ้าทรัพย์เนี่ยก็คือเป็นของตนเองแต่ไม่กล้าใช้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 ที่ไร้โทษทั้งกายกรรมไม่มีโทษวิจิกรรมมนโนกรรมที่ไม่มีโทษเนี่ยนะท่านก็เทียบเคียงบอกว่ า, วามีสุขเกิดจากการมีทรัพย์ก็มีความสุขนะจ่ายทรัพย์บริโภคก็มีความสุขนะเพราะทรัพย์นั้นหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยเรี่ยวแรงด้วยลําแข่งเนียนะอาบเหงื่อต่างน้ําได้มาโดยทําเป็นของชอบทําเนี่ยแล้วก็ไม่เป็นหนี้ใครี่ก็มีความสุขแต่ท่านบอกว่าส่วนประการที่สี่ สุขที่เกิดจากการประพฤติงดเว้นจากกายกรรมที่ไม่ทุจริตวจีกรรมที่ไม่ทุจริตมนโนกรรมที่ไม่ทุจริตเนี่ยอันนี้เป็นที่เขาเป็นผลของกุศลศีลเนี่ยใช่ไหมการปรากฏของศีลก็คือกายสะอาดวาจาสะอาดและใจสะอาดกายวาจาใจสะอาดนั้นเป็นสุจริตสามทั้นตรงเนี้สุขมากกว่าการมีทรัพย์สุขมากคือการจ่ายกว่าจ่ายทรัพย์สุขมา ก, ก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 ใช่ไหมไอตัวตัวตัวขยะไอตัวที่ทําลายขยะมันมีอยู่แต่ปริมาณขยะเข้ามาก็มีอยู่ใช่ไหมอาจขยะอาจจะค้างไว้หน่อยแต่การทํางานของเครื่องที่เผาขยะมันมีอยู่ทั้งนี้กโอเคแต่ถ้ามันไม่ละมันไม่ออกเลยเนี่ยยุงอะไรเนี่ยก็หมายวา่ไม่ได้กําจัดขยะออกเลยเนี่ยเนี่ย ออกเลยแล้วก็ตัวขยะก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ, ๆ, ๆอันนี้ชักมีปัญหาเลยนะปริมาณที่ไหลเข้าทีนี้นถ้ามองอย่างนี้มันก็เอกมามองดูอย่างนี้ก็เห็นใช่างไี้แต่ถ้าหากว่าในนั้นมันไม่มีขยะอยู่เลยนี่โอ้โหมีความสุข น, นี่ก็เรียกไม่มีหนี้แต่ท่านบอกว่าความสุขทั้งสามประการนั้นอ่ะสู้ไม่ได้กับความสุขกับการประพฤติไร้โทษ กายกรรมที่ไม่มีโทษวจีกรรมที่ไม่มีโทษมโนโกรรมที่ไม่มีโทษท่านแยกยังไงท่านบอกว่าเอาความสุขเอาความสุขของการประพฤติไร้โทษเนี่ยไม่แยกไม่แยกแยกออกเป็นสิบหกครั้งแล้วก็ส่วนที่สิบหกไม่แยกออกอีกสิบหกครั้งเราเอาเซี่ยวของเซี่ยวที่สิบหกครั้งที่สองาบอกความสุขสามประการนั้นเนี่ยเทียบไม่ได้ กับความสุขครั้งที่สิบหกเจี่ยวที่สิบหกที่แยกออกมาเป็นครั้งที่สองบางแห่งบางคมภี์ใช้การแยกสองครั้งบางคมพีก็บอกว่าเจี่ยวของเจี่ยวที่สิบหกมาแยกเลยอันนี้ก็เออเป็นการเทียบเพื่อเห็นว่าการประพฤติไร้โทษสิมีความสุขมากกว่าใช่ไหมไปเดินจ่ายซัย์บริโภคเลยจริงๆมันก็ไม่ได้มีความสุขอะไรมีทรับจ่ายจ่ายจ่ายเนี่ยมันจะเป็นสุขเท่ากับกายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดได้อย่างไรใช่ไหม อันนี้ก็อันนี้ท่นก็เทียบไปดูแล้วท่านก็บอกว่าเออมีทรัพย์มาแล้วใช้จ่ายไงดูก่อนขนา้าราชการทั้งหลายก็ไล่ไปตามลาดับอันนี้ก็ไปดูในรายละเอียดทีนี้ที่ต้องการพูดตรงนี้ก็คือว่าถ้าเฝ้าทรัพย์ที่เป็นอนุกัณฑ์อิตาทานเนี่ยอนัาานนี้อนัาานนี้อันนี้เสียแล้วเพราะการเจตนาที่ให้น่ยมันผิดไปเพราะว่าโดยโดยไม่สละอย่างแท้จริงเข้าใจไหมประเด็นที่ยอมถามอ่ะ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 เจตนาที่เป็นไปกับมหากุศลนะถ้าเจตนาที่เป็นไปในมหากุศนนะั้นอ่ะถ้าทานกุศลเขาเดินแล้วทางานอย่างต่อเนื่องผลิตก็แปลว่าเราจะการให้แต่ละครั้งเนี่ยเป็นการเช็คตรวจสอบคุณธรรมภายในของเราดูว่าสามารถที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมภายในออกมาได้เยอะไหมกุศลนะ่ะเม็ดของกุศลปริมาณของกุศลหน่วยของกรุชนชาวนาที่เป็นไปกับกุศลนะ่ะมันจะไหลได้มากไหม มันจะไหลได้มากหรือไม่มากมันไม่ใช่ว่า น, นมันต้องมีองค์ประกอบเป็นการไข่ควรนะปารลบอะไรถวายเป็นสงเป็นประทานเออปารลบอะไรดีปารลบสีปารล บ, บเสียงปารลบกลิ่นปารลรสก็เหมือนได้ผ้าผืนนี้ท่านยกตัวอย่างเลยนะในอัตสาริยนีสสมมติว่าผ้าอย่างเงี้ยถ้าเป็นสีทองท่านก็ปารลบเลย บอกผ้านี้สีทองเปล่งปลังงดงามอย่างเงี้นะพระวรากายของพระบรมศาสดาก็เปล่งปลังด้วยฉับพลันรังสีข้าพเจ้าจักนำผ้าผืนนี้ถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมในห่มพระวรากายของพระบรมศาสดาเป็นต้นอะไรเนี้ย ไปประดิษฐานไว้หน้าที่พระเจดีที่ต้นพระสีมหาโพเป็นต้นเนี่ยก็เรนีปารลบเนี้ยอันนี้เจตนาที่ปารลบสีเป็นฐานทีนี้เสียงของผ้าก็มีใช่ไหมเสียงกลิ่นรสรสที่ปารลบอะไรดีรสของวัฒนธรรมเป็นต้นก็ได้โพธิภพเย็นร้อนแล้วก็ธรรมารมณที่เกี่ยวกับผ้า ที่มีอาโปธาตุเป็นต้นเหล่านี้ที่ยึดโยงใช่ไหมหรือไม่อย่างงั้นกรณีอย่างนี้ยที่ยึดโยงทําให้ผ้าเป็นผืนงดงามเกาะกลุ่มกันอยู่ได้เป็นต้นเหล่าเนี้ยในการที่จะถวายทีนี้ในขณะที่เดินไปเนื้อกายกรรมที่เป็นทานใช่ไหมวาจาที่กล่าวเชิญชวนให้ไปน้อมอนุโมทนาด้วยการนิววิวัจีกรรมที่เป็นน้อบเป็นทานในกุศล น, นะไม่ทํากายกรรมวิจีกรรมให้เคลื่อนไหวใจก็น้อมถวายเป็น พุทธบูชาเป็นตัวเหล่านี้เป็นไปอยู่อันนี้เขาเรียกมโนกรรมที่เป็นทานนกุศลเนี่ยล้วก็ไข้ควรอย่างเงี้ยกายกรรมก็เป็นทานกุศลวิจีกรรมแล้วมโนกรรมก็เป็นทานกุศลเงี้ยการใคข่ควรอย่างนี้ที่เคยกล่าวบ่อยๆใช่ไหมอย่างนี้ก็แล้วก็ปารบถึงนี้และในขณะที่นั่นไปเบ็ดเสร็จก็ดูว่าอะโลพาทานเนี่ยน้อมถวายเบ็ดเสร็จก็นั่นเลยพอถวายเสร็จเดินยังไม่ทันหันหลังเลยพวกดึงผ้าไปเลย <c oughs> ใจเสียเลยว่าตาย เชิดก่อนไปที่โน่นนี่โคดาราำพอไปเอามาก็เอาเอาเอาถาดาไปบูชากำลังสวดมนอยู่เลยเด็กวิ่งมาอย่างไหนคว้าถาดคว้าคว้าถ า, าดทองไอทองมันนึกว่าเป็นทองจริงมันวิ่งไปมนเลยคนบางคนใจเสียคนเลยที่ตรงเนี้ยเสียแล้วน้อมถวายก็คือถวายไปเลยกุศลเจตนาเขาสำเร็จแล้วใช่ไหม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 บอกว่าถ้าผลทานชนิดนี้เกิดขึ้นในภพต่อต่อไปม pues ั่งข้างมีทรัพย์มากแล้วทั้งพร้อมในการมือคุณไม่ใช่แล้วก็ปุ๊บีนี้จะปลอดภัยจากอุกอัคคีภัยอุทกภัยราชภัยโจระภัยวาดภัยเนี่ยแล้วก็เจวระภัยลูกหลานญาติมิตรที่แวดล้อมก็ไม่ก็ทายาตทาาก็ดีได้ทายาดี แต่ถ้ามีการยกตนขม่มกระทบตนและผู้อื่นขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ตรงเนี้ยมันมีการกระทบซึ่งกันและกันกระทบกระทั่งกันใช่ไหมโดยราคาโทวสมามโมหะเขาว่าพป้นเพราะผลมันตามมาเนะี่มันได้เหมือนกันแต่มันได้ได้ของมาแล้วมันมกักจะเจอพวกเนี้ยเจอพวกเนี้ยไปแล้วมันไปหมดเอาง่ายๆเลยนะต้องระวังอย่างเงี้อย่าให้มันเกิด ใช่ทั้งภัยอุทกภัยราชภัยเป็นต้นอักขีภัยนั่นแหละวายตะภัยนั่นแหละมาก็เคยเจอนะเจอลมพายุเนี่ยเป็นคาวาสเนี่ยนะไปหมดเลยเนี่ยโอแค่แปลกมากเนี่ยนะเออลมเนี่ยมันมาแปลกแปลกนะมันวิ่งตรงบ้านเราเนี่ย เออมันวิ่งมาตรงนั้นแหละเออของค น, คนอื่นมันไม่ตรงเนี่นะมันมาตรงของเราเนี่ยแต่มันก็ตรงหลายคนแต่พวกผลอื่นเนี่ยอยู่ใกล้ๆก็เพราไม่ตรงของเรานี่ไปหมดเลยเนี่ยเหลือแต่เสาเนี่ยนะเออเนี่ยมันหอบไปหมดเลยเนี่ยแต่ก่อนก็หาเหตุผลไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้หาได้แล้วแต่ก่อนโอ้สงสัยเราไปตั้งอยู่ตรงทิศทางลมเขาว่า น, นี่มันมันมาเจอภัยแบบเนี้เราจะรู้ได้ไงใช่ไหมตั้งตรงเนี้ยลมมันจะมาพัด มันมีสัญลักษณ์บอกไว้ไหมมันก็ไม่มีนี่มื่มาเจอภัยบางคนก็โจรภัยบางบ้านบางบ้านในโจรขึ้นบ้านอยู่นั่นแหละไอ้ข้างๆกันก็ปลอดภัยปลอดภัยเคยเคยเจอแบบนี้ไหมลองเปิดประตูมาดูเปิดทิ้งไว้แล้วถ้าลองบุญข้อนี้เนาะอ๋อพออย่างนี้ก็ไปที่จริง ประโยควิบัติเนี่ยเขาเรียกประเยอะ์เขาเรียกประโยชควิบัติเขาไม่ทํากันอย่างนั้นหรอกนี่เรียกประมาทแล้วก็อนุปัจฐาทานนี่ไม่กระทบตนและผู้อื่นที่ถูกต้องเนี่ยในข้อสุดท้ายก็จะเป็นอย่างนั้นตรงนี้ก็คือเป็นเครื่องไว้ก็คือศรัทาธาทานให้ไปแล้วก็คือว่าลูกหลานญาติมิตรเนี่ย เป็นต้นเกี่ยวข้องกันด้วยว่าตรงนี้กับข้างพร้อมไปิกรรมมาคุณแล้วก็ผิวพรรณก็หน้าเรือมใสเป็นต้นอะไรเนี้ยนะแล้วก็เชื่อในกรรมและผลของกรรมเป็นผู้มั่งข้างด้วยแต่ถ้าหากว่าเป็นการให้ทานที่สะอาดหมดจดเนี้ยเนะี้ยบริสุทธิ์ทั้งของทายธรรมแล้วก็ความเป็นตุกคนที่มีความ ที่ทําตนและทายาธรรมเป็นต้นให้สะอาดหมดจดเหล่านี้ยนะตนในที่นี้นท่านขับเน้นที่กรณีที่เจตนาเป็นต้นเหล่า น, นี้นะที่เป็นไปกกุศลเป็นต้นทายาธรรมเป็นต้นก็ได้มาโดยความหมดจดได้มาด้วยนะ่นและแยงหาโดยทําได้มาโดยทําเป็นต้นเหล่าเนี้ยตรงนี้ลูกหลานญาติมิตรก็เชื่อฟังโดยคำํำการลทานก็ให้ผลตั้งแต่ปฐมวัย อนุาหาตฐานก็คือว่าอยู่อย่างผราสุกด้วยแล้วก็ไม่ต้องเป้าทรัพย์ข้อสุดท้ายก็คือพ้นจากภัยทั้งหลายตรงนี้ถึงนบอกว่าถ้ามองตรงนี้ท่านกาขับเน้นถ้าเราดูอย่างนี้นะดูในชั้นของคําสอนถ้าดูในปฏิในทีคณิกายเนี่ยดูเงี้จะเห็นว่าเออเนี่ย ในอัาฐานปุปฏิสูตรเนี่ยนะบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่พักและเครื่องประทีปแก่สมนาหรือพราหม์เขาให้สิ่งใดก็หวังสิ่งนั้นตอบแทนให้แล้วเขาเห็นพวกขติยามหาศาลพราหมนามหาศาลเครืหบมดีมหาศาลที่เ อ, อิบอิ่มพร้อมพร้อมด้วยการบุคคลใช่ไห ที่น่าปรารถนาหน้าพอใจเขาก็คิดว่าโอนน้อเนี่ยหลังตายแล้วเราเพิงเกิดร่วมกับพวกคัตยามหาศาลสมณพราหมาหาศาลขณาบดีมหาศาลเขาก็ตั้งจิตเริ่มตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นก็เจริญจิตนั้นอยู่เข้าใจไหมตั้งจิตเจริญจิตอธิษฐานจิตเพื่อต้องการเป็นอย่างนั้นเพื่อต้องการเป็นกรรษัตริย์บ้างเป็นสมณพราหมณ์ที่เป็นคนมีความรู้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 เป็นมนุษย์เน่ยเป็นได้กุศลศีลเป็นต้นด้วยแต่ก็ต้องมีทานเกี่ยวข้องใช่ไหมตรงนี้ยเพราะกุศลนั่นแหละจริงๆอ่ะถ้าพูดถึงอย่างนี้นะว่าคําว่าตัวทานเนี่ยทานจริงๆขับเน้นกุศลเจตนาเป็นต้นไม่ใช่เป็นขับเน้นตัววัตถุตัวสิ่งของไม่ใช่อันนั้นเป็นโดยอ้อมโดยตรงจริงๆอ่ะก็คือตัวกุศลและจิตจริงๆการให้ทานจริงๆเนี่ยตรงนีงต้ต่อไปแล้ว เป้าหมายจริงๆตัวเนี้ยเห็นไหมมหากุศสเนี่ยเนี่ยมหากุศแลจิตเนี่ยจะทํายังไงให้แปดดวงดวงใดดวงหนึ่งเกิดขึ้นให้มาก mm hmm. เขาจึงเรียกว่าทานาเจตนาทานนะเจตนาหรือเจตนาทานทํายังไงจะให้เกิดเนี่ยให้มากเราจะขับเน้นยังไงจริงๆเป็นเรื่องของนามธรรมาเป็นเรื่องของนามธรรมา แต่ว่าอาศัยรูปธรรมเนี่ยเป็นสื่อเป็นสื่อเพื่อจะให้นามธรรมนั้นเนี่ยเกิดประชุมมากๆทีนี้มันถึงปริมาณบุญจึงไม่เท่ากันไงเนี่ยจากจากวัตถุชิ้นเนี้ยเราจะจะผลิตบุญให้เกิดได้มากได้ยังไงเนี่ยตรงเนี้ยใช่ไหมเราจะผลิตยังไงให้บุญเกิดได้มากมันถึงไม่เท่ากันเออมเป็นอย่างนี้ ไม่ได้ขับเน้นที่ตัววัตถุแต่มันก็ต้องมีวัตถุไห ม, ไ ม, มต้องมีเ อ, อเขาถึงมีคําว่าวัตถุทานคือปัจจัยสี่ตรงนี้ท่านถึงใช้คํำว่าให้ข้าวน้ําเป็นต้นเหลรอเนี่ยเนะียที่บอกว่าให้ข้าวน้ําผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูกไล้ที่นอนที่พกักและเครื่องให้แสงสว่างเนี่ยข้าวก็มาแยกออกเป็นหกใช่ไหมเป็นสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมาลม น้ำก็มาแยกเป็นสีเสียงกลิ่นรสแล้วก็ทำอารมณ์ผ้าก็มาแยกเป็นโทสีเสียงกลิ่นรสแล้วก็ทำอารมณ์มันก็แยกไปสิเท่นะยานะยานะเคยยังให้ถเทวทวายทวายเลยยานะนี่อะไรคิดได้น้อยจังคิดให้สูงกว่านัหน่อยเดี๋ยวล่ม <laughs> ตรงเนี้ยนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไลท์ที่นอนที่พักลเลยคือแล้วก็ปฏะทีปปร ท, ปรทีก็คือเครื่องให้แสงสว่าง ก็มาแยกเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมอารมณ์สรุปจริงๆเนะี่ยนี่ก็มีรูปไหมเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมอารมณ์ก็คือถวายรูปปัทานางังสัทธาฐานางังคันธาฐานังระสทานางังโพธพาฐานังธรรมทานางัภภาานา ง, า น, างนี่ที่ถวายไปนเนี่ยใช่ไหมแต่ถามว่า